ทีนี้เมื่อได้ยินเสียงแล้วเนี่ยสําคัญที่สุดสาศาสนานี้คืออรยิยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดหรือไตรสิกขาเสียงบางอย่างนะใครรักษาอุโบสถเคยเอามาวิจัยว่าเสียงนี้ทําให้ผิดศีลแปดนะใช่ไหมเสียงบางอย่างทําให้ผิดศีลไหมเสียงเพลงเป็นต้นเนี่ยทำให้ผิดศีลเสียงดนตรีทั้งหลายเนี่ยเป็นเหตุให้ผิดศีลแต่อันนี้ศีลก่อนถ้า เสียงอย่างอื่นต่อไปอีกเนี่ยนะทำให้เจริญสมถะได้ยังไงบอกเสียงจริงๆแล้วอะ่ะเป็นปฏิปักษ์ต่อสมถะถ้าจะเจริญสมถะแต่เสียงเนี่ยถ้าเป็นเสียงที่เกิดจากจิตเป็นสมุทฐานอย่างเช่นเสียงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่สอนสัตว์จะทำเงื่อนมาเสียงอ น, นั้นเป็นตัจจัยกับจิตชนิดไหนบ้างก็มารอบรู้ต่อไปจริงๆหลักไตรสิกขาเนี่นะโอ้โใช้ได้ได้ตลอดไปเลยแล้วได กกคือมัชชิมาปฏิปทาอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคือตัวมัชชิมาปฏิปทาเนี่ยอยู่ที่ตรงบําเพ็ญไตรสิกขาถ้ารับรู้อารมณ์อะไรแล้วไม่สามารถสงเคราะห์ลงไตรสิกขาเราจะไม่เห็นมัชชิมาปฏิปทาเพราะตัวข้อปฏิบัติจริงๆอยู่ที่ที่ไตรสิกขาพระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดเพื่อให้สาวกเนี่ยบำเพ็ญไตรสิกขาซึ่งไตรสิกขานั้นเรียกว่าพรหมจรรย์นในาศาสนานี้ นนะที่เรียกว่ า, าศาสนะหรือตัวพรหมจรรย์นี่คือไตรสิกขาถ้าไม่สามารถบำเพ็ญไตรสิกขาได้ก็สรุปว่าห่างพระพุทธเจ้าว่างั้นแทนนนนะ <c oughs> เอามาดูอีกสูตรหนึ่งนะว ก, กาลีสูตรภพราะวา ก, กาลีนี่อ้อ เป็นผู้ที่มีอัฐิมานะอธิมานะนี้แปลว่าสําคัญผิดว่าได้ตรัสรู้เนี่ยนะไม่ได้บรรลุแต่สําคัญว่าได้บรรลุถ้ามานะตัวเฉยๆนี่แปลว่าถือตัวใช่ไหมถ้าอาธิมานะนะแปลว่าไม่ได้บรรลุหรอกแต่สําคัญว่าได้บรรลุแต่ตอนหลังก็บรรลุซึ่งให้ดูหน้าหน้านั้นนิดนิดหนึ่งนะ หน้าสองร้อยแปดสิบสาย่อหน้าสุดท้ายบรรทัดที่สองเห็นไหนับลงนะเห็นไหมพระเถระเป็นผู้มีมานะจัดตรงนี้อย่าไปเข้าใจว่าตัวมานะแบบนี้นะเรียกว่าอธิมานะคือไม่ได้บรรลุหรอกแต่สําคัญว่าได้บรรลุเนี่ยนะตรงนั้นมาจากอธิมานะนะอย่างในในป ร, ราชิกสิกขาบทที่4ว่าอันหนึ่งพิสูจนด้อวดอุตรีมนุสธรรมมันเป็นความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสา ม, มารถน้อมเข้ามาในตัวว่า ข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้สมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใดผู้หนึ่งถือเชือกถือเอาตามก็ตามไม่ถือเอาตามก็ตามก็เป็นอันต้องอับัตแล้วนะเพื่อความหมดจดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าน่ท่านข้าพเจ้าไม่รู้ได้กล่าวว่ารู้ได้ไม่เห็นได้กล่าวว่าเห็นได้เพื่อพ่อยๆเป็นเทพเปล่าเว้นไว้แต่สําคัญว่าได้บรรลุนะเว้นไว้แต่สําคัญว่าได้บรรลุตรงนี้คืออธิมา n a เนี่ยนะอธิมานาย a มปิป a r a c h i g o huti a s a n g w ก็คือไม่ไม่ได้บรรลุแต่สําคัญว่าได้บรรลุอันนี้ก็เป็น ปาราชิกนนะซึ่งมาจากอธิ ม, มานะนี่เขาไปแปลว่า ม, มานะจัดนี่ก็เลยคนละเรื่องนะในวัคคาสูตรนี่นะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเวลวันกัลันทากะนิวาปสถานกรุงราชครึกสมัยนั้นแลท่านพระวักคาอาพาธมีทุกเป็นไข้หนักได้รับทุกขเวทนาพักอยู่ที่นิเวศของนายช่างหม้อะ น, นะ ทั้งนั้นท่านพระวัคคะลีเรียกภิกษุผู้อุปถัมภ์ทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่ามาเถิดอาวุโสทั้งหลายจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับจงถวายบังคมพระยุคลบาด้วยเสียงกล้าวตามคําของเรายุคล น, นี้แปลว่าคู่นะบาดก็แปลว่าเท้าใช่ไหมยุคลบด้ก็คือเท้าทั้งคู่นะไปกราบเท้าทั้งคู่นะกราบเท้าทั้งคู่ของพระพู้ดเจ้าแล้วทูลว่าพระเจ้าค้าภวัคะลีภิกษุอาภาก เป็นไข้หนักได้รับทุกขเวทนาท่านถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์ด้วยเสียงกล่าวและพวกท่านจงทูลอย่างนี้ว่าพระเจ้าข้าได้ยินว่าท่านพระวกริเนี่ยขอพระประธานพระวโรกาสขอทูลเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จเข้าไปหาท่านพระวกริถึงที่หยุดเถิดพิสูจน์เหล่านั้นก็รับคำนะนะพระองค์ก็รับโดยดุษเนียภาพ ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงครองอันตระวาศกและถือบาทและจีวรเข้าไปหาท่านทวักะลิถึงที่อยู่ท่านทวักะลีได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลครั้นเห็นแล้วก็ลุกขึ้นจากเตียงลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับท่านทวักะลิว่าอย่าเลยวักะลิเธออย่าลุกจากเตียงเลยอาสนะเหล่านี้ที่เขาปูลาดไว้มีอยู่เราจากนั่งที่อาสนะนั้นนะคือถ้าลุกแล้วนะป่วยบางอย่างมันจะกําเริบมากขึ้นใช่ไหมถ้าลุกขึ้นนะนี พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูราดไว้ครั้นแล้วได้ตรัสถามท่านภวักะลิว่าดูก่อนวกักะลิเธอพอทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนานั้นปรากฏว่าทุเราลงไม่กำเริบขึ้นหรือเนี่ยนวะวักะลิคนละองกับที่ตามดูพระผู้เทอเจ้านะคนละองกันท่านภวักะลิก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ข้าพระองค์ น, นี้ทนไม่ไหวไม่สามารถยังอัตภาพให้เป็นไปได้ทุกเวทนาของข้าพระองค์แรงกล้ามีมแต่กำเริบขึ้นไม่ทุเลาลงเลยทุกขเวทนาปรากฏว่ากำเริบขึ้นไม่ทุเลาลงเลยนะปวดมากขึ้นปวดมากขึ้นนะ เ, เวทนานี้เขาเอาอะไรมาวัดเช่นปวดหัวสมมติว่าปวดตอนแรกมันปวดจีด๊ดจี๊ดยังไงนะหรือมันปวดนึบหนึบยังไงนะเอาอะไรมาเครื่องวัดจามินิดเคยเขามีเครื่องวัดไหมว่ามันปวดมากขึ้นนี่เอาอะไรมาวัดว่าโอ้ปวดนี้ขนาดนี้แล้วนะ แบบความร้อนนี่ไม่มีเลยวัดแต่ความดันอย่างเดียวนะแสดงว่าเวทนาน ม, มาทำไม่มีเครื่องวัดจริงๆนะว่าปวดมากปวดน้อยอะไรนะ่ะไม่มีเครื่องวัดเนาะนเจ็บความเจ็บปวดนี่วัดได้เหรออ้าวเขไม่ได้ก็ถามไอ้ตัวความเจ็บเนี่ยวัดได้ไหมว่าโอ้ตอนเนี้ยเจ็บเท่านี้เลยนะสมมุติว่าเอาแบบร้อยเปอร์เ็นมาตั้งนะเอาตอนนี้กำลังปวดอยู่หเอร์ซนเี่ยนะอีกเพิ่มอีกแล้วยี่สิเอร์ซ็อย่างเงี้ยนะ อันนี้ก็คือสรุปว่ามันมันรู้เจ็บขึ้นเจ็บขึ้นนะนั้นเองนะก็บอกได้เท่านั้นนั่นแปลว่ามีเครื่องวัดแล้วนะว่าวัดแบบไหนปวดเท่านี้แล้วนะมันไม่มีเนาะ <c oughs> นะมอไปหาพอดีมีหรือเปล่าจะไปวัดซะหน่อยก็วัดแต่เคลือนอย่างอื่นเนี่ยไหม <c oughs> ดูก่อนบัเกอเล่เธอไม่มีความรําคาญไม่มีความเดือดร้อนอะไรบ้างหรืออันะ รากว่ารำคาญเดือดร้อนไหมมีวิปฏิสารมีอะไรบ้างไหมพรวักะลีก็บอกพระเจ้าค่าแท้ที่จริงข้าพระองค์มีความรําคาญไม่น้อยมีความเดือดร้อนอยู่ไม่น้อยคือยังวิปฏิสารอยู่ดูก่อนวักะลิก็ตัวเธอเองไม่ติเตียนตนเองได้โดยศีลบ้างหรือเอาเรื่องศีลมาถามก่อนเลยใช่ไหม ติเตียนตัวเองได้ไหมโดยศีลกายกรรมมีอะไรผิดพลาดไหมวัจจิกรรมมีอะไรผิดพลาดไหมอาชีพมีอะไรเสียหายไหมที่จะมั่งมาตําหนิตัวเองได้ภวคกกลิก็บอกพระเจ้าข้าตัวข้าพระองค์เองจะติเตียนได้โดยศีลก็หาไม่คือสรุปแล้วว่าเรื่องศีลนะกายกรรมวัจจิกรรมอาชีพเอามาจับไม่มีข้อเสียหายเลยตําหนิตัวเองไม่ได้ดูก่อนวักกะลิถ้าหากว่าตัวเธอเองติเตียนตนเอง โดยศีลไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเธอจะมีความรําคาญและมีความเดือดร้อนอะไรพระเจ้าขา้าจําเดิมแต่การนานมาแล้วข้าพระองค์นี้ประสงค์จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ว่าร่างกายของข้าพระองค์ไม่มีกําลังพอที่จะเข้าไปเฝ้าพระผู้เทเจ้าได้กล่องเนี่ยคือท่านเดือดร้อนเดือดร้อนว่าอยากเข้าไปหาพระผู้เทเจ้าอยากไปกราบมานานกายไม่ไหว เธออยากจะเข้าไปกราบพระพุทธเจ้ามานานแล้วแต่ร่างกายเนี่ยไปไม่ไหวเหมือนอย่าเลยวักกะลิร่างกายอันเปื่อยเน่าที่เธอเห็นนี้เหมือนจะมีประโยชน์อะไรสิกสานวนก็บอกว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นร่างกายที่เปื่อยเน่าอันนี้ดูก่อนวักกะลิผู้ใดแลเห็นธรรมะซึ่งหมายถึงโลกุตระธรรมเนี่ยนะผู้นั้นย่อมชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นธรรม อันนี้หมายถึงโลกุตรธรรมนะก็ประโยชน์อะไรไปดูรูปขันใช่ไหมถ้าไปเห็นก็ไปเห็นรูปขันเห็นด้วยจักขูวิญญาณแต่ไม่ได้ชื่อว่าเห็นเห็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงใช่ไหมเพราะไอเห็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงก็คือเห็นธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าก็คือโลกุตระธรรมเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดเห็นโลกุตระธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าหมายถึงเห็นอะไรเห็นอริยสัจนั่นเองเนไ วัคกฤตเป็นความจริงบุคคลเห็นธรรมย่อมเห็นเราบุคคลเห็นเราก็ย่อมเห็นธรรมเนี่ยโยมังปัสเติเนี่ยนะก็คือพูดเราผู้นั้นเห็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราเนี่ยนะเครื่องมันพยศอะไรไหมครับวันนี้มันเล็กจากดับก็ดับนะตอนสรุปว่าพระองค์นี้ไม่ได้ประสงค์จะให้พระภิสูจน์นี่ไปเห็น เฉพาะแค่รูปประกายของพระองค์ไหมแต่ต้องการให้เห็นธรรมะเนี่ยนะเห็นธรรมะที่ว่าซึ่งอัตถกถาที่บายหมายถึงโลกุตระธรรมเนี่ยนะผู้ใดเห็นโลกุตระธรรมผู้นั้นก็ชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นก็ชื่อว่าเห็นโลกุตระธรรมเพราะว่าโลกุตระธรรมอันนั้นแหละําให้เห็นพระพุทธเจ้าโลกุตระธรรมก็คือมรรคสีผลสีและนิพพานหนึ่งก็คืออริยสัจนั่นเองเนี่ยนะว่าผู้ใดเห็นอริยสัจผู้นั้นก็ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้า วักกะเลเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉนะรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยนะพระองค์ดึงไปหาธรรมะเลยใช่ไหมคือดึงไปหาทุกขศาสตร์ก่อนการเห็นพระพผู้เจ้าอย่างแท้จริงก็คือการเห็นอริยศาสตร์อริยศาสตร์เนี่ยสัจจะอันแรกที่เห็นง่ายก็คือทุกขอริยศาสตร์เนี่ยนะก็คือทุกขอริยศาสตร์ก็ได้แก่ขันท่าประกอบไปด้วยรูปเป็นต้นพระองค์ก็ถามว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง เพราะการจะเห็นทุกขาริยศาสตร์ก็ต้องเห็นรูปเห็นขันห้าที่เป็นทุกขาริยาศาสตร์โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานั่นแหละเพราะฉะนั้นรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงบอกไม่เที่ยงประเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกเป็นทุกประเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเรานะพวกลีนี้เป็นป่วยอยู่ใช่ไหม ที่จริงคนป่วยน่าจะเห็นรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยง่ายเนีย่ยนะพราะพอพูดถึงรูปป ะ, ป ะ, ปะเราไม่ต้องคิดถึงฟ้าถึงดินทั้งข้างนอกกันไหมคิดถึงภูเขาคิ้จั๊กุหรือเปล่าไม่ใช่เพราะรูปที่มันเดือดร้อนคือรูปตัวท่านนั่นแหละตัวที่นอนนั่นแหละไอ้รูปอันนั้นแหละมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนีย่ยนะถ้าเป็นคําถามทั่วๆไปนะใครป่วยแล้วไปถามอย่างนี้ใส่เขาไม่พอใจเอามากกว่า น, นะน่าจะไปอวยชัยให้พรมาขอให้หายไวอันไหาค่านะอันะห ไ ป, ไปถามมารูปเที่ยงหรือไม่เทีย่ยงนี่ใจแย่เลยนะก็มีแต่ไปอวยชายให้พรให้หายเร็วๆนะนะกลับบ้านไวๆนะจะได้เมื่อไหร่จะได้กลับบ้านอะไรเงี้ยนะก็เอาไปคิดแต่แบบนี้กันนะภูฏเจ้าไปถามเลยนะรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนงะี้ยะเรารับได้วกก่าผู้การน่านรับได้นะเดี๋ยววันหลังไปเยี่ยมจะไปถามยังไงบ้างรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงวันหลังในหมายถึงอาจจะหลายสิบปีข้างหลังอนะ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 พระอัศชิเนี่ยนะพระอัศชียนี่สัจการนิครณเนี่ยถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีปกติสอนสาวกยังไงอนุสาสนีของพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาอันนี้เป็นอนุสาสนีในในพระพุทธศาสนานี้เพื่อนท่าถ้าดูในหลายลสิบศูตรเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้ถามว่าคําสอนเหล่านี้จะมีผลต่อเมื่อเมื่อไหง มีผลต่อเราเมื่อไหร่เมื่อเราไปคิดแบบนี้บ้างหรือเราไปเห็นแบบนี้จริงๆอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นใ้ความเห็นอันนั้นเป็นอะไรสมมาทิฏฐิเนี่ยนะสมมาทิฏฐินี่ยถ้าเห็นแบบนั้นแล้วคิดสิ่งนั้นมากๆอันั้นเป็นสมมาสังกปะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไปซ้อมคิดแบบนี้กี่รอบแล้วคุณพพ า, าลองบ้างยั ง, <อ>งรูปเอาคล่องแล้วนะอจนฮ ะ, ะยัง ยังไม่คล่องโห เ, เรียนมาตั้งเกือบเดือนแล้วนะนะเที่ยงหรือไม่เที่ยงเลยนะเลยนะั้นก็หน้าไปไปนั่งว่างๆอ่นั่งซ้อมมั่งอ่ะนะไม่นั่งซ้อมก็ยืนซ้อมก็ได้นอนก็ได้เนี่ยนะทุกอิริยาบถเลยนะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงเลยนะก่อนจะหลับเนี่ยก็นั่งที่อย่างงี้ก็ได้หรือไม่ก็ไม่เอารูปก็เอายงี้ก็ได้เนี่ยตาเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่ะนะ แล้วก็ไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยโหูเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงจะโมกเที่ยงหรือไม่เที่ยงเล้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงกายเที่ยงหรือไม่เที่ยงใจเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงแล Luis, ้วรูปอ่ะนะคือผิวพัรร์ทั้งหมดของเราเนี่ยทั้งหมดเที่ยงหรือไม่เที่ยงเสียงคําพูดที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงกลิ่นตัวทั้งหมดเลยเนี่ยนะในร่างกายเที่ยงหรือไม่เที่ยงรสเช่นรสน้ําลายเป็นต้นในร่างกายเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงโพธาภะเนี่ยนะปฐวีธาตุเป็นต้นที่อยู่ย รูปที่เหลือเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเนี่ยนะ ว, ว่างๆน่าจะซ้อมแบบนี้ให้มันชําน้นเลยนะจริงไม่ยากนะหลักสูตรนี่ไม่ยากแต่ว่าทำไมไม่ทําก็ไม่รู้ยังไม่เห็นอันนี้สองมั้งนั้น ก็แสดงว่าย so so like right. so so ังไม่รู้ว่ามันมีกําไรนะก็เลยยังไม่ค้าขายอันนี้แล้วก็พิจารณาขันอย่างนี้นะทั้งหมดเนี่ยทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันตามสูตรแล้วก็เบื่อนายใครกําหนดก็บรรลุครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนท่านพระวกะเลด้วยพระโอวาทนี้แล้วลุกจากอาสนะเสด็จไปยังภูเขาคิจฉุกต์เนี่ยนะก็ ครั้งนั้นแลพระวักกะลิเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าหลีกไปแล้วไม่นานได้เรียกพิกษุอุปถากทั้งหลายแล้วมากล่าวว่ามาเถิดอบูโซจงช่วยอุ้มเราขึ้นเตียงแล้วหามไปยังวิหารกาลสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิก็พิสุผู้เช่นเราะนัยจะพึงสำคัญตนว่าพึงทำกาละในละเวกบ้านเล่าเนี่ยนะคือท่านเนี่ยเป็นผู้ที่แข็งคัดในทุดงในการอยู่ป่าเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านจะมาอยู่ในละแวกบ้าน โดยเฉพาะจะตายในละแวกด้านได้ยังไงเดี๋ยวทุดงขาดหมดนะท่านรักษาทุดงมากท่านห่วงเรื่องศินของท่า น, นนะเพราะทุดงนี่ก็นับเนื่องในกลุ่มศินพิษุอุปถากเหล่านั้นก็รับคําพระวกกะลิแล้วก็อุ้มพระวกกะลิขึ้นเตียงหามไปยังวิหารกาลสิลาข้างภูเขาอิสิกิลิครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ภูเขาคิชกูด ต, ตลอดราตรีและวันที่ยังเหลืออยู่นั้น ครั้งนั้นเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วเทวดาสององค์มีชวีวันเนี่ยงดงามทําภูเขาคิ้จกูดให้สว่างทั่วทั้งหมดแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครันแล้วได้ยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งขันแล้วเทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า ว, ว่าพระเจ้าค่าวัคคัลิภิกษุคิดเพื่อความหลุดพ้น น, นะคือพระวัคคัลยเนี่ยกาลังใคร่ครวนว่าจะพ้นจากขันห้าว่างั้นเถอะพ้นจากอุปาทานขันห้าอยู่เนนะี่ย แสดงว่าโอ้โหครุ่นคิดมากเทวดายังรู้เลยนะว่าท่านคิดจะพ้นขันห้าจริงๆนะนะคิดเพื่อจะไม่มีอุปาทานเ น, นี่ยนะเวทนาจะไม่มีตัณหามาณทิฏฐิในอุปาทานขันห้าเทวดาก็รู้เลยเทวดาอีกองคหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าก็วัคคะลีภิกษุนั้นอ่ะหลุดพ้นดีแล้วจากหลุดพ้นได้แน่แท้ยังไงต้องบรรลุแน่นอนถ้าคิดขนาดนี้นะถ้าพิจารณาตามคําสอนแบบนี้บรรลุแน่นอนอะนะเทวดาก็ามาพยากรณ์ให้เลย แสดงว่าเทวดาเหล่านี้นี่เป็นเทวดาไม่ไม่ใช่ธรรมดาเนคือไม่ใช่ปกติไม่ใช่เทวดาปกติแต่เป็นเทวดาที่มีความรอบรู้ในในหลักการของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีครั้นพอราตรีนั้นผ่านไปอ่ะนะพระพิสุเอ่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเล่าให้พิสุทั้งหลายฟังน่นะ แต่็จแล้วพระองค์ก็แนะนําให้พระพิสุเนี่ยไปเล่าให้พระวักกะลีฟังด้วยนะว่ามีเทวดามาบอกแบบนี้นะแต่แล้วพระองค์ก็ยังเน้นไปอีกว่าดูก่อนนะวุโสวักกะลิแต่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับท่านอย่างนี้ว่าอย่า ก, กลัวเลยวักกะลิอย่า ก, กลัวเลยวักกะลีจักมีความตายอันไม่ต่ําชาแก่เธอจักมีกาลกิริยาอันไม่เลวสามแก่งงเธอหวังกันเถอะอย่า ก, กลัวไม่ต้องกลัวถ้าตายแล้วยังไงก็ก็ ไม่ไปชั่วแน่เหมงอนกันเถอะตายแล้วก็ไปดีแต่ไม่ได้บอกว่าอยากกลัวตายนะแต่บอกว่าอยากกลัวว่าตายแล้วจะไปไม่ดีมีความหมายลักษณะนั้นเพราะยังไงตายไหมตายแน่ไหมตายตายแน่ๆอยู่แล้วละ่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกว่าอย่าอย่าไปกลัวแบบว่าไปไม่ดียังไงก็ตายอยู่แล้วเนี่ยนะซึ่งภิกษุเหล่านั้นก็ไปเล่าให้พระวกะลิฟังทั้งหมดครั้งนั้นแลท่านพระวกะลิเรียกภิกษุอุปถากทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่า มาเถิดอาวุโสท่านยงช่วยกันอุ้มเราลงจากเตียงเพราะว่าภิสูุผู้เช่นกับเรานั่งบนอาสนะสูงแล้วจะพึงสําคัญว่าตนควรฟังคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้อย่างไรเล่ า, านะก็บอกว่าจะนั่งที่สูงเนี่ยนะฟังธรรมะที่สูงแล้วพู้แสดงอยู่ที่ต่ําเนี่ยบอกฟังไม่ได้นะมันอยังก็บอว่าคนเช่นเราอ่ะนะใช้คําว่าเช่นเราแสดงว่าท่านนี่ศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างแรงกล้า ม, มากนั่นนะพิสูจน์เหล่านั้นก็รับคํา พิกูุเหล่านั้นก็เล่าให้รกราบทูลตามอาขอเล่าตามที่พระพุทธเจ้าตรัสแนะนำทั้งหมดเลยทีนี้พระวกกะลีก็เลยกล่าวว่าอาวุโสถ้าเช่นนั้นท่านจงช่วยถวายบังคมพระยุโคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าวตามคำของผมด้วยว่าพระเจ้าค่าวกกะลีภิกษุอาพาธเป็นไข้หนักได้รับทุกขเวทนา เธอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวเยะและยังได้สั่งมากราบทูลอย่างนี้อีกว่าพระเจ้าข่าข้าพระองค์ไม่เคลือบแคลงว่ารูปไม่เที่ยงไม่สงสัยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไม่สงสัยว่าสิ่งใดเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาความพอใจก็ดีความกำหนัดก็ดีความรักใคร่ในสิ่งนั้นไม่ได้มีแก่ข้าพระองค์ คือท e e e e um e e um ่านบอกว่าท่านนี้รู้ว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและแปรปรวนไปเป็นธรรมดาท่านไม่ได้มีใจรักในรูปเลยเหมือนกันแท้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันท่านรู้ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ไม่เที่ยงไม่สงสัยเลยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไม่สงสัยว่าสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาความพอใจก็ดีความกำหนัดความรักใคร่ในสิ่งนั้นไม่ได้มีแก่ข้าพอง ก็แปลสรุปง่ายๆว่าท่านช่วยไปบอกพระพุทธเจ้าทีว่าข้าพเจ้าไม่สงสัยว่ารูปเนี่ยมันไม่ขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาข้าพเจ้าไม่ได้มีใจรักไม่ได้มีความกำหนับในขันห้าเลยนะไปกราบทูลพระพุทธเจ้าให้ทีอย่างั้นครั้งนั้นเมื่อพิสูจน์เหล่านั้นหลีกไปไม่นานท่านทวักกะลิก็นําสาตรามาเตรียมจะฆ่าตัวตายคือคือท่านนึกว่าได้บรรลุแล้วนะอยู่ไปก็เบื่อขันห้าฆ่าตัวตายดีกว่า จริงๆแล้วพระอราหันต์ท่านจะไม่คิดฆ่าตัวตายหรอกแต่คือท่านไม่ได้บรรลุแต่สําคัญว่าได้บรรลุไงที่เรียกว่าที่มานะเนี่ยนะไม่ได้บรรลุสําคัญว่าได้บรรลุก็เลยคิดฆ่าตัวตายเหมือนกันมันก็หาศาสตรามาทีนี้ครั้งนั้นแลพิสูรเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้งแล้วก็กราบทูล น, นะตามที่พระวกลิแนะนํามาทุกประการเนี่ยนะ ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียบภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่ามาไปกันเถิดภิกษุทั้งหลายเราจะพากับกันไปยังวิหารกาละศิลาข้างภูเขาอิสิกิลิซึ่งเป็นที่ที่ภิกษุวัคคะลิกรบุตรนาําศาสตรามา เ, นะเอาสาตรามาปาดคอตัวเองเลยคือสมัยนั้นนี้ยังไม่มีสิกขาบทว่าภิกษุฆ่าตัวตายเนี่ยนะเป็นอบัติไม่ยังไม่มีสิกขาบทนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นนี้แสดงว่าเป็น ยุคแรกๆเลยนะพันศาพรนศาหนึ่งพันศาสองของพันสองสพรนศาหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เท่านั้นเองแสดงว่าเรื่องเกิดปฐมพุทธการแรกๆท่าสมัยที่ยังไม่มีวินัยบัญญัติพิสูจน์เหล่านั้นก็รับคําพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปยังวิหารกาลสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิพร้อมด้วยพิสูจเป็นจํานวนมากได้ทอดพระเนตรเห็นท่านภวักลินอนคอบิดอยู่บนเตียง แต่ไกลทีเดียวเนี่ยนะก็ปาดคอตายจริงๆนะก็สมัยนั้นแลปรากฏเป็นกลุ่มควันเนี่ยนะกลุ่มหมอกลอยไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศบนทิศต่ําแล้วก็ทิศเฉียงเฉียงอนุทิศทั้งหมดลําดับนั้นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับพิสูจทั้งหลายว่าดูความพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายมองเห็นกลุ่มควันกลุ่มหมอกลอยไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศบนทิศต่ํา แล้วก็ทิศเฉียงเียงทั้งหลายไหมว่างั้นพิสูจน์ก็บอกว่าเห็นพระเจ้าค่ะดูความพิสูจนทั้งหลายนั่นแหละคือมารใจห ย, ยาบช้าค้นหาวิญญาณของวัคกัลิกุลบุตรด้วยคิดว่าวิญญาณของวัคกัลิกุรบุตรตั้งอยู่ณนะที่แห่งไหนหนอคือวัค ก, กัลิกุรบุตรเนี่ยปฏิสนธิวิญญาณจะเป็นยังไงเอกะตะกายะเอกะตะสันยีหรือว่านานนะตะกายะปฏิสนธิตรงไหนเนี่ยนะก็ค้คนหาใหญ่เลย ดูกรพิสู่น์ทั้งหลายวักลิกุลบุตรมีวิญญาณมิได้ตั้งอยู่แล้วปรินีผ่านแล้วเนี่ยนะคือจากเรื่องบาลีว่าสัตว์ถังอาหะเรสเนี่ยได้ยินว่าพระวักลิเป็นผู้มีอธิมาณนะคือไม่ได้บรรลุสำคัญว่าได้บรรลุ ท่านมองไม่เห็นการกลับฟุ้งขึ้นมาอีกแห่งกิเลสทั้งหลายที่ข่มไว้ด้วยสมาธิและวิปัสสนาคือผู้ที่ตามเห็นรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะตามหลักที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยกิเลสนี่ข่มได้เนี่ยนะข่มบาปข่มอกุศลได้จริงๆทีนี้ท่านก็เลยมีความสาคัญว่าเราเป็นพระขีณาสพคือเมื่อเจริญทั้งสมถาวิปัสสนาควบคู่กันไปมากๆเลยนะเช่น พิจารณาขันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาสลับกับการเจริญสมาธิเนี่ยนะเจริญอย่างนี้สลับไปสลับมาจนชํานาญเป็นอย่างยิ่งไม่ได้บรรลุแต่สําคัญว่าได้บรรลุขึ้น <c oughs> <c oughs> ทีนี้พอสําคัญว่าได้บรรลุก็คิดต่อไปว่าชีวิตนี้เป็นทุกเราจะอยู่ไปทําไม เราจะเอามีดมาฆ่าตัวตายดังนี้แล้วได้เอามีดที่คมเนี่ยมาเฉือนก้านคอท่านใดนั้นทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นกับท่านขณะที่ท่านเจขณะนั้นท่านจึงทราบว่าตนเองนี่ยังเป็นปุตุชนอยู่เลยก็รีบคว้าเอากรรมฐานข้อเดิมมาพิจารณานะข้อที่ขันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเพื่อจะกําจัดฉันทะฆ่าอีกนั่นแหล ะ, และเนื่องจากว่าท่านยังไม่ได้ละทิ้งกรรมฐานไม่ช้าก็สําเร็จเป็นพระารหานันแล้วก็มรณภาพเนี่ยนะ ก็คือเจริญนิพสานานี่นะครับปาดคอแล้วจึงเจริญนิพพานาได้บรรลุเนี่ยนะเออบางคนนี่ต้องปฏิปทานี่ดูเดือดหน้าดูเลยนั่นนะแต่ก็ตรัสรู้จริงจบรรลุพวกพวกนี้บรรลุคือเป็นกลุ่มทุกขาปฏิปทาเนี่ยนะชีวิตที่ทุกทั้งร่างกายบางทีก็ทุกทั้งจิตใจด้วยแล้วก็ปฏิบัติธรรมพวกนี้ปฏิบัติธรรมแบบทุกเป็นทุกขาปฏิปทาแต่ในที่สุดก็บรรลุได้ ที่บรรลุได้นี่บรรลุได้เพราะอะไรถ้าตั้งคําถามนี่ว่าพระวัคคารี บ, บรรลุได้เนี่ยนะโอ้โหเหตุการณ์ขนาดเนี่ยทำไมท่านยังบรรลุได้เนนะก็บอกว่าเห็นเพราะว่านิยานิกรธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นสิ่งดีจริงคือการปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นคําสอนที่นําออกจากทุกได้จริงเนี่ยนะก็เรียกว่านิยานิกรธรรมเนี่ยนะมักนี้เป็นนินิยากัตโทใช่ไหม มักเนี่ยเป็นตัวนําออกจากวัตถุทุกได้อย่างแท้จริงถ้าเจริญทั้งสมถาวิปัสนาควบคู่กันอย่างที่พระองค์สอนเนี่ยตรัสรู้ได้จริงๆเนี่ยนะให้เห็นเรียกว่าความเป็นนิยา น, นิกรรมของคำสอนนั่นเองผ้าบางองค์โดนเสือกัดแล้วกลเป็นผ้าหันอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นผ้าหันเพราะเสือกัดแต่ว่าเป็นพระ้าหันเพราะเจริญสมถาวิปัสน <c oughs> าเนี่ยนะ <c oughs> แต่ว่าพอดีไปบรรุตรงปากเสือพอดีอย่างนั้น ไม่ใช่เป็นบรรลุเป็นพระอทหารเพราะเสือกัดในะยุ่งเลยอะหรือบางทีก็บอกว่าต้องอธิบายกันเดี๋ยวนะนะว่าในสูตรนี้พระวักกะลิก็บรรลุได้นะเพราะเจริญก็คิดดูนะว่าคําสอนคือการไปพิจรารณาขันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะโดยการสอบสวนอย่างนั้นพร้อมทั้งตัวอย่างอย่งนั้นเถอะ คือคือพระองค์สอนใช่ไหมไปถึงว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราอ่านะก็คือเห็นอริยสัจอ่านะผู้ใดเห็นอริยสัจผู้นั้นก็คือผู้เห็นเราแล้วพระองค์ก็ซ้อมว่าขันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเสร็จแล้วให้พิจารณาขันทั้งหมดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตผู้ที่ฟังแล้วก็เบื่อหน่ายในขันห้าทีนี้หลังจากนั้นพระองค์เสด็จไปเนี่ยนะพระวัคคะลิก็มาเจริญอย่างนั้นว่าไม่สงสัยเลยว่าขันเนี่ยไม่เที่ยง ไม่สงสัยอีกเลยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไม่สงสัยอีกเลยว่าไอ้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยท่านเนี่ยละความกำหนัดในขันท่าได้จริงๆตอนนั้นท่านยังไม่ได้ละได้หรอกแต่ว่าด้วยอํานาจกิเลส ท, ที่ข่มได้ด้วยสมถะและวิปัสนาเนี่ยนะพอโน่นเอามีดมาเฉือนกา้านคอแล้วเนะ่ยจึงรู้อา้าวยังไม่ได้บรรลุเนี่ยยังคล่องอยู่นี่ก็โดยมากอะ่ะเพราะอะไรท่านจึงรู้ว่าท่านยังไม่ได้บรรลุพระทั้งหลายเหล่านี้นะเพราะนิมิตมันปรากฏ นิมิต ท, ที่จะปฏิสนธิในภพหน้าปรากฏ น, นะนะรู้เลยว่าเนี่ยสะพานเนี่ยทอดมาให้เราเกิดภบใหม่อีกแล้วเนี่ยนะทอดสะพานมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นอาศัยเหตุการณ์นั้นเนี่ยชํานาญในสมนถาวิปัสสนาก็เลยเจริญเลยนะเช่นสวรรค์ปรากฏแก่ท่านอย่างนี้ท่านก็เจริญวิปัสสนาแลนะ้วเนี่ยของเรานี่เจริญเห็นสวรรค์ปรากฏปั๊บเนี่ยิ้มแย้เลยนะคือค้อพ้นผมไม่เข้าใจว่าคตินิมิตน่าจะมีอิทธิพล ต่อต่อทำความเข้าใจในชีวิต ค, วคือจะบรรลุได้เนี่ยนะสำหรับผู้ที่เห็นคตินิมิตปุ๊บเนี่ยนะเขารู้เลยว่าปฏิสนธิอีกแล้ว น, นะรู้ว่าจะปฏิสนธิอีกต่อไปนี่แสดงว่าถ้าจะปฏิสนธิต่อไปเนี่ยนะธรรมะที่ท่านศึกษามาเป็นอย่างดีรู้เลยว่าท่านจับฉันชราคะไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เจริญสิ่งที่เคยเจริญนั่นแหละซ้ําอีกจึงตัดฉันราคะได้ นะแต่ว่าคติของท่านเนี่ยจะต้องคติที่ปรากฏนะเป็นต้องเป็นสุขติพบนะที่ปรากฏแล้วรู้นะของเราเนี่เห็นโหสุขติพบมาแล้วนะเอาไว้ก่อนนั้นลืมสมถะวิปัสนาะลรยุ่งเลยนะแต่ว่าในอัชาราตสูตรนะถ้าเป็นในอัชาราสูตรเนี่ยจะเป็นแบบพระสูตรสมัยโบราณจริงๆนะบอกว่าอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ รังเกียจกรรมมาคุณแม้อันเป็นของทิพย์จะกล่าวไปยายถึงเป็นของมนุษย์เล่าว่างั้นอันนั้นลักษณะของสาวกของสมัยของพระผู้มีพระภาคเป็นอย่างนั้นแล้ก็เอาคอบิดไปไหน แต่ว่าก็ยังให้เบนไปหน่อยเออที่เป็นพระอรหันเนี่ยโดยทั่วไปจะเป็นอย่างนี้ที่เป็นพระอรหันต้องตะแคงขวาปรินิพานถ้าจะรปรินิพานในอริยาบทนอนนะแต่พระอรหันปรินิพานได้ทั้งสี่ริยาบทเลยบางองค์เนี่ยยืน <Okay. S 1> บางองค์เนี่ยเดินบางองค์เนี่ยนั่งบางองค์นี่นอนถามว่าองค์ที่ยืนปรินิพานได้ยังไงก็บอกว่าท่านขีดเส้นไว้เออจะบอกว่าไปขีดรอยไว้เลยนะตรงนั้นะ่ะ คือท่านจะเดินไปถึงนั้นแล้วจะปไินิ่ผ่านพอดีเป๊ะเนยนะบางองค์เนี่ยท่านรู้ขนาดนั้นบอกถามว่าเพราะอะไรเพราะการเจริญอาณาปานาสติเนี่ยนะผู้ทหารที่เจริญอาณาปานาสติไว้มากจะรู้เวลาตายเนี่ยนะว่าจะวิตตจุติระหว่างไหนเป็นพอดีเนี่ยท่านจะรู้ขนาดนั้นอันนั้นเป็นความพิเศษของผู้ที่เจริญอาณาปานาสติเรียกว่ารู้แม้กระทั่งนาทีที่จะตายเหมือนกันเลย เดี๋ยวอยู่ข้างหน้าอย่าขาดกันแล้วกัน